พอเสื่มได้พอเสื่มล่าเสื่มฐานได้แต่ว่าพอไปถึงวิปาัาสนาแล้วเขาว่ามันสุดดึกสุดตึกจมลนเปในดินเลยกู่ไม่ได้นะแต่วิปัสสนาจินตาานั้นมันพอจะร้าวึมันจะร้าตรงนั้นมันจะเอียงตรงนี้พอจะเสื่มฐานทันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า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 ถ้าคาจริงวิปสัสนาญาณของที่เรามีแค่3าามชั้นแต่พระอรหัาจารย์มันแยกเป็น16ชั้นหรือว่าวิปัสนาญาณ16บะกถ้าเป็นตึก6กก็ตึกสิชั้นนั่นแหละเพราะนั้นเองฐานเราอยากจะได้ได้กี่ชั้นดยสร้างฐานลึกเท่านั้นสร้างฐานลึกเท่านั้นทีนี้วิธีสร้างฐานทำยังไงฐานของตัวรู้คือรูปกรรม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 แต่ว่ารูปนั้นจะใกล้จะไปจะหยาบจะละเอียดจะลึกจะตื้นก็ตามมันก็ยังเป็นรูปทั้งหมดอะ่ะรูปที่มองเห็นรูปที่มองไม่เห็นขนาดความคิดก็ยังเป็นรูปเลยเขาเรียกว่านามบรูปความคิดเป็นนามบรูปไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ความคิดไม่ใช่ความนึกคิดจะเป็นความรู้สึกเฉยเนี่แหละถือว่านามล้วนลวนะถ้าความคิดมีรูปอยู่ความคิดก็ยังเป็นไปตามกดของไม่เที่ยง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 เว้นแต่พระพุทธเจ้าสมมาสมุทรปเจริญพระนันสั้นสร้างสมการรู้แบบนี้มาไม่รู้กี่พกี่ชาติแนละ้วแต่เราเพิ่งมาสร้างเอาชาตินี้หรือบางคนสร้างมาหลายชาติอาจจะรู้ไวเพราะสังเกตปะบางทีสองสามวันรู้เลยบางคนที่สั่งสมมาน้อยหน่อยก็ยืดยาวออกไปบางคนปีนึงรูงงงง้อันนี้ก็สําคัญนะสิ่งที่เราสั่งสมมาดังนั้นเองตรงเนี้ยนามจะบอกเราว่าเรารู้ทำแบบไหนอ่ะ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 เออเสาหลุลดก็เป็นแถวอะทำไงอันนั้เอามาก็ช่วยเบรกแล้วน้กเบรกไม่อยู่จะทำไงเหลือใจจริงๆเลยเนี่ยหมดเวลาแล้วเนี่ยหกโมงกว่าแล้วเ น, น, นอก็วันนี้หลวงพ่อจะบอกว่าเก็มที่ก็มาเพูดเก็มที่นวันนี้นะเต็ที่ก็ขออนุโมทนาสาธุความตั้งใจของท่านทั้งหลายในการที่จะนำเอาเรื่องที่พูดเนี่ยไปทำ